พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรณธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าพึงใช้ปัญญาในทางสัมมาทิฏฐิ วันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6วันเพนหน้าเนี่ยเป็นวันวิสาขาบูชาแปลว่าปีนี้8สองหนอันนี้เป็นเดือน6หลังละ่ะ เป็นวันวิสาขาบูชาตรงกับวันที่สมิถุนายนพุทธศักราช2555แล้วระก็วันที่หหลวงพ่อได้เตือนคณะัทธาญายาตโยมที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวหว่าทุกวันพระว่าวันที่หวันที่สวันวิสาขบูชาพวกเราจะทำพิธีกรรมอยู่ในวัดของพวกเรา เวียนเทียนฟังธรรมเทศนาวันที่สวันที่ห้าตอนเช้าพวกเราจะได้รวมกันไปถวายที่ดินที่วัดใหม่ที่วัดสวนที่พวกเรารวมปัจจัยกันซื้อถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งหมด2ี่ไร่เพราะนั้นวันนั้นก็คงจะมีการใส่บาตรตักบาตรข้าวหมอ้อแกงหมอ้อ ไปถวายอาหารพระสงฆ์ร่วมกัน ใ, นใครจะไปตั้งโรงทานทำโรงทานเลี้ยงโกโก้โ ก, กาแฟเลี้ยงน้ำก็นั่นแะไปช่วยๆกันตอนเช้าหลวงพ่อเคิดว่านะถ้าฝนไม่ตกพอไปถึงเจ็ดโมงเราก็บินทบบาทพอบินทบบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาประจำที่ไหวพ้พระรับศีล จากนั้นพระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและก็สวดพาหุงใช้ยมมงคลคาถาเจ็ดแล้วก็พวกเราก็ได้กล่าวคำถวายถวายทานและก็พร้อมถวายที่ดินยกที่ดินเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาไม่เป็นที่ดินของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คณะใดคณะหนึ่งสงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยกถวายให้เป็นของสงไว้ในพระพุทธศาสนานานเท่านานจะได้ร่วมกันถวายจากนั้นพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรพวกเราถวายจตจุปัจัยไทยธรรมแล้วก็พระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรในวันที่5จากนั้นก็คงจะเสร็จพิธีการทําบุญของพวกเราเพราะนั้นบอกต่อๆกันนะลูกหลานไปร่วมกันทําบุญ สวรรค์ที่ดินยกที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึงผู้ใดแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อพอรวบรวมหลวงพ่อเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นผู้ดําเนินการแต่หลวงพ่อชื่อที่ดินแล้วก็จบไปโดยไม่ได้ประกาศให้คณะชาติญาติโยมลูกหลานได้รับรู้รับทรบาบให้กว้างขวางพูดง่ายๆพวกลูกหลานบางคนก็อาจจะสงสยัยเอ้หลวงพ่อ ที่ดินแปลงนี้หลวงพ่อจะยกให้ใครนาไม่เห็นท่านประกาศว่ายังไงที่ดินตั้งหลายเงินที่พวกเราซื้อะเลูกหลานในยุคนี้อาจจะไม่สงสัยต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีความสงสัยขึ้นมาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงประกาศให้โทษถึงให้กว้างขวางให้รับทราบร่วมกันทั่วกันเนี่ยเพราะที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นผู้พาดําเนินเท่านั้นเอง แต่สมบัติจริงๆเป็นของพระพุทธศาสนานานเท่านานทั้งหมดทั้ง48ไร่ก็ไม่ใช่อของแคบๆเท่าไหร่กว้างพอสมควรเราซื้อก็อย่างที่พวกเรารู้เห็นหลายเงินพอสมควรนะแต่ก็เช็ดชิ้นไปแล้วพวกเราก็จะได้มอบถวายวันที่ห้บอกต่อๆกันเนะ้อแล้วก็วันนี้เป็นวันที่8อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าววันอีก 7-8 วันข้างหน้าเป็นวันวิสาขาบูชา ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะทํำยังไงในวันวิสาขบาูชาที่จะถึงนี้เราจะงดงานเราจะหยุดงานอสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่าไปคิดอย่าไปตามกิเลสตามกิเลสคื อ, อยังไงโอจ้จะไปตีกอล์ฟจะไปเล่นกีฬา อ, อย่าไปโคบหมู่จะไปกับคนนั่นคนนีอ้อันนั้ น, นคือกิเลสพาไป ถ้าพวกเราคิดดูให้ดีถ้าไม่ใช่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยลบหายตายจากเราควรจะงดทั้งหมดเราควรจะเข้ามาสู่วัดวาศาสนากราบไหว้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสาคัญยิ่งต้องล้ำลึกถึงบุคคลที่เป็นนาทะที่เป็นผู้นาของโลกคือพระพุทธเจ้าพวกเราต้องตัด สิ่งที่มันไม่ดีหรือจะตัดสิ่งที่พวกเราอยากจะไปน่ออกไปก่อนเพราะวันวิสาขาบูชามีวันเดียวเท่านั้นปีหนึ่งมีวันเดียวคือวันวิสาขาบูชาถ้าผ่านไปแล้วกระจบตัวจะไปตีก๊อปตีแก๊บอะไรนะ่ะแล้วจะไปคบหมู่คบเพื่อนยังมีอยู่ยังมีเวลาต่อไปพายภาคหน้ายังมีเวลาอยู่ว่านั้นเราต้องใช้ปัญญาจัดสรรสิ่งที่ จะเป็นประโยชน์จะเป็นบุญปิงกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะวิชาทางนอกหรือวิชาอาชีพทางนอกเราทามาค้าขายเราสสแสวงหาทรัพย์เราหามาจนพอแรงปีทั้งปีเราจะเจียดเวลาให้เป็นมงคลสำหรับทางด้านจิตใจฮหาอาหารเข้าสู่จิตใจหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจ วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาไม่กี่วันในพพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาไม่กี่วันใน365วันนั้นแล้วเราจะไม่มีเวลาขนาดทั้นเจ้าเหรออันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องบวกลบคูณหารหาวิชาหาแนวทางที่จะไปสู่คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเรา พนังขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านศรัทธาญาติโยมโทุนนะอย่าให้แต่ละวีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีอย่าให้กิเลสนำเอาไปกินหมดให้นํำทำเข้ามาสู่จิตใจเอาชนะใจตัวเองบ้างนะ ไ, ไ, ไม่ใช่ว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีแต่ทะเลทลายทั้งวีทั้งวัน อ, อยากไปตัดผมอยากไปทําผมหมงวันนั้นวันนี้เก็งดไว้ก่อนก็ได้แต่มันไม่เห็นจะจําเป็น น, นี่เราควรจะมามองสิ่งที่จำเป็นคือเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจก็คือวันวิสาขบูชาเราลำนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองตัดจรรุพระธรรมในตัดจรรุในวันเดือนหกเพนเมื่อท่านได้ตัดจารได้นาพระธรรมคำสอนออกมาตึกงแป0 0สี่พันพระธรรมคันเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เรื่องปัญญาหาทางปัญญาวิมุตติญาณทัศนะปัญญาหาทางหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะ่ยอันนี้ก็คือปัญญาของพระพุทธเจา้าที่ท่านฝากไว้ในหลักทำคําสอนของพระองค์จากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจา้ามาบอกกล่าวมาแนะนําสั่งสอนอันนั้นผิดอันนั้นถูกอันนั้นดีอันนี้ไม่ดี คณะสัตยาญาติโยมพุทธบริษัทสีนอรอันนี้คือพระสงฆ์นำพระธรรมคาสอนออกมาบอกกล่าวเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งอีกเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพระธรรมคาสอนมาบอกกล่าวพวกเราพวกเราจะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้จะรู้ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องได้อย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรคืออย่างที่หลวงพ่อได้พูด แนะนำหลายครั้งให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราต้องได้รับการศึกษาต้องได้รับการเรียนรู้จากนั้นก็นํามาประพฤติธปฏิบัติด้วยแต่บางท่านบางคนบอกเอ้ยข้าก็ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ลั่งแก้ไรไม่ได้เอารัดเอาเปรียบใครไม่ได้ปนฆ่าใครข้าอยู่ตามลําพังข้าก็ทําคุณงามความดีขนาดนี้ก็เพียงพอแล้วนะ อันนั้นถ้าจะว่าเปรียบเทียบในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วแปลว่ายัางโง่ามากน่พูดอย่างนั้นได้ไยังโง่ยังไม่รอบคอบอยังโง่ต่อเรื่องหลักธรรมคำสอนถ้าพวกเราได้เข้าไปศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาดูแล้วการทาความชั่วมันมีกี่อย่างการทำความดีมีกี่อย่างต้องแยกแล้วนะทีนี้ ไม่ใช่เพียงเท่านั้นลราพอไม่ใช่มันยังมีมากกว่านั้นอย่างโกวกเราอยู่เฉยๆเราเคยคิดโกรธให้เขาไหมโกรธต่อใครไหมคิดอยากจะฆ่าใครไหมคิดอยากจะฆ่าสัตว์ไหมแต่เพียงความคิดคิดโลบอยากจะได้ของเขามาเป็นของตัวไหมคิดพยาบาทคนอื่นไหมอันนี้ก็คือมนโนกรรมการกระทาทางใจคิดทางใจก็เป็นบาปแล้วนะ เป็นบาปทางใจในเมื่อคิดแล้วทีนี้เห็นหมดมาเอาไฟลนมดเอายามาฆ่ายุง่งแล้วก็ฆ่าสัตว์อยากจะกินกบกินเขียดกินปูกิ น, ก น, ป, กนปลาอะไรชี้มันมาฆ่ามันอันนั้นในหลักของพุทธศาสนาเท่าเบียดเบีย น, ยนสัตว์อื่นด้วยกา ย, ยกรรมมันก็เป็นบาปอีกแล้วถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไระนี่แหละ ให้ได้การพูดก็เหมือนกันพูดตัวทวพูดเหยียดหยามพูดตลบตะแลงพูดหาเงินเข้ามาให้ตัวเองโกหกเขาสิ่งเหล่านี้ในการพูดก็เป็นบาปกรรมอีกต่างหาถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราได้ศึกษาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมนโนกรรมคืออะไรกายกรรมคืออะไรวจีกรรมคืออะไรเราจะรอบรู้เราจะรู้ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาแล้วเราจะเพียงแต่ว่าเอ้ยข้าไม่ได้ทําอะไรแล้วนั่นแหละแปลว่าทนองตัวโง่อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเปรียบเทียบในหลักของพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่เปรียบเทียบกับคําพูดหลวงพ่อนะเปรียบเทียบกับทำคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้วโง่อีกประเภทหนึ่งถ้าคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องคิดต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆถ้าเราไม่รู้ เราจะว่าฉลาดได้ยังไงถ้าสิ่งไหนที่เรารู้อันนั่นแหละคือเราฉลาดแต่เรายังไม่รู้สิ่งนั้นเรายั ง, งโง่อยู่นะอย่างลวงพ่อเนี่ยดังวิทยาศาสตร์เครื่องมือสมัยใหม่เรื่องเครื่องเทปบังเรื่องเครื่องฟังเสียงบังเรื่องกดคอมพิวเตอร์บังเรื่องกดตอนนั้นกดตอนนี้หนึ่งขนาดของใช้วิทยุอย่างนี้ตกวันนี้มีแต่เรื่องสัมผัส เขเอามือกดนั่นกดนี้ก็มีตัวหนังสือบอกลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกอย่างสิ่งไหนที่มันไม่รู้ข้าไม่รู้ข้าก็โง่ละลุงพ่ออินโง่ละจุดนั้นต้องได้เรียกลุกศิษย์มา เ, ออเขาใช้กันยังไงวะตัวเนี้เขากดกันยังไงตัวเนี้แล้วมันเสียงออกไปยังไงตัวไหนเสียงค่อยเดินหน้ายังไงถอยหลังยังไงมันอนได้กี่แผน่นมาได้กี่ชั่วโมงวะนะลวงพ่อก็จะต้องถามผู้ที่รู้กว่าเรา เราต้องศึกษาเพียงแค่นี้เราก็โง่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่อื่นอื่นอีกเนี่ยเราจะไม่ศึกษาเราจะไม่เรียนรู้ได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกท่านในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องจะไปสู่สวรรค์นิพพานแต่กลำพังที่พวกเราจะ เ, าเรียนรู้วิชาทางโลกยังสลับซับซ้อนมาก บางเรื่องแต่ก็ถ้าผู้มีปัญญาก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาให้หนักจนเกินไปต้องใช้ปัญญาวิธีการวิธีแก้ไขแก้ไขอย่างไงทำอย่างไรไออในหลวงพ่อจะเล่าเป็นชาดกให้ฟังเรื่องนิทานในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ในสวนแห่งหนึ่งอุทยานแห่งหนึ่งเป็นที่หลีกล้น พระเจ้าปเสนที่โกศลก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเจดิประทับอยู่ตรงนั้นพระเจ้าปเสนก็เลยจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีโยมอุบาสกคนหนึ่งที่ได้รับความยกย่องจากพระพุทธเจ้าท่านได้เป็นพระอนาคามีท่านเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่พระเจ้าปเสนเนี่ก็เจด็จไปไปเห็นโยมคนนั้นนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ ก็เครื่องในใจเหมือนกันแล้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้มีอํานาจวาสนาบุญหนักสักใหญ่ทั้งที่คนนั้นน่าจะถอยให้เพราะทราวบว่าพระเจ้าแผ่นดินจะไปแล้วน่าจะถอยน่าจะลีกออกให้แต่นี่นั่งเฉยเพอพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าประเสชิญเข้าไปก็คว้างในใจล่ะเอ๊ะทาไมวะคนนี้มันรู้จักกาลเทศะแต่อุบาสกคนนั้นท่านก็บอกว่าข้าพระเจ้า เฝ้าเป็นผู้สูงสุดในโลกไม่มีใครที่จะสูงสุดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถึงจะพระเจ้าแผ่นดินก็ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังลุ่มหลงมัวเมาเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอยู่พระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าเป็นผู้มาเฝ้าผู้สูงสุดแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลุกลับใครทั้งหมดในพื้นปฐพีเนี่ยเพราะข้าพเจ้าเฝ้าผู้สูงเลย จะหนีออกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะมาเคารพคนที่มีกิเลสมากกว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดท่านผู้มีธรรมท่านก็คิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันท่านพอพระเจ้าประเสียนเข้าไปเห็นคนนั้นก็ไม่ลุกจริงๆพระเจ้าประเสียนก็เข้าไปกราบในมุมหนึ่งเสร็จแล้วพระองค์จะถามไทยอะไรสนทนาปลารบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ความขุนเคืองของพระเจ้าประเสียนยังอยู่ในใจอยู่ แต่ท่นานรู้ว่าอุบาสกคนนี้อยู่ในกรุงสวัสถีนะวันหนึ่งอุบาสกคนนั้นน่ะเดินจะไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหารพอเดินผ่านไปทางพระราสวังพระเจ้าประเสียรนี่ก็มองออกไปทางหน้าต่างไปเห็นโอ้ใช่คนนั้นน่ะเนี่ยไปเรียกเข้ามากระให้พวกทหารมหาดเล็กเรียกเข้ามาเอามาอุบาสกนี่เขาเข้าไป แต่เข้าไปท่านก็ไม่สะทกสะทานอยู่แล้วท่านเป็นพระนาคามีใช่ไหมกิเลสในใจของท่านไม่มีอยู่แล้วเออุบาสกคนพร้อมที่จะพูดอะไรได้ทั้งหมดะพระเจ้าประเสียนก็เข้าไปท่านทําไมท่านจึงทำอย่างนั้นเมื่อเราเข้าไปอุบาสกคนนั้นผมคิดอย่างนี้อย่างที่อุบาสกพูดพระเจ้าประเสียนยอมจนอนํานนอืมใช่เอเราเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกันท่านเคารพ ท่านไม่ใช่ใหญ่วกว่าพระเจ้าเพราะนั้นเราไปอยู่ในสถานผู้ใหญ่แล้วเราจะไปเคารพคนที่เข้ามาทีหลังไม่ถูกต้องพยาประสิทธิ์ก็จำนวนต่อหลักเหตุผลเอาเถอะท่านเอ อ, อยากจะให้พวกในเวียงในวังได้ศึกษาธรรมะบ้างเพราะดูดูแล้วบางครั้งก็ปกครองแล้วว่าไม่เข้าใจในธรรมะมันค้ายๆแบบความอิจฉ้าบาั่งความพยาบาทบ้างความเห็นแก่ตัวบา้างค่อยๆกับกถ้ามีธรรมในใจแล้ว ถ้าคนมีธรรมแล้วอาจจะมีความผาสุก ข, ขอท่านเป็นโยมอุบาสกแสดงธรรมให้แก่พวกบริสตัดบริวารพวกสนมนาลีทั้งหลายทั้งปวงด้วยให้เป็นผู้มาปาทกถานหรือมาให้ธรรมะอุบาสกคนนั้นก็บอกว่าโอ้สำหรับผมเป็นโยมไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาในพระราชฐานอันโออาหรือว่าเข้ามาในเวียงวังสมควรจะให้สมณะผู้ทรงศีล พระสงฆ์โพสูงเสนเข้ามาอบรมจะดีกว่ามั่งครับผมแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่าจะดีกว่าถ้าจะให้พระสงฆ์เข้ามาแสดงธรรมพระเจ้าเปรียญอืมใช่ถูกต้องจะทํำยังไงขอให้พระองค์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะอนุมัติให้สงฆ์องค์ใดแต่นี่พญาเปรียญก็เลยเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทองค์ก็ขอท่านพระอานุนเพราะอานุ์ก็เป็น น้องชายของพระพุทธเจ้านะลูกผู้น้องเหมือนกันน ะ, ะพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระบิดาของพระอนุ์ในสองพี่น้องนะท่านเคขอพระอนุนเข้ามาในเวียงวังทับเป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะท่านก็รู้ขนรรมรำเนียมกษัตริย์ทํำยังไงฮะพระอนุนก็เข้ามาแสดงธรรมพอเข้ามาแสดงธรรมในเวียงวับงบันนี้แก้วประดับของพาาระเจ้าปัตเสณหายแก้วประดับหาย ถามใครมันหายไปยังไงแก้วประดับราคาแพงพระเจ้าประสิทธิ์ก็จับทั้งหมดผู้ที่เข้ามาในวังเออแต่พระอนุ์ก็รู้ว่าเขาจับหมดเลยคนอยู่ในวังจะเค้นหาว่าแก้วอยู่ที่ไหนพระอนุ์เข้าไปไปบอกกับพระเจ้าประสิทธิ์โอ้มหาบพิษถ้าทําอย่างนี้ผู้ที่ไม่ได้ขโมยมันก็เดือดร้อนเอาอย่างนี้ดีไหม าตามคําอาตมาเนี่ยอาตมาจะให้คําแนะนําปล่อยซะปล่อยทั้งหมดพอปล่อยทั้งหมดแล้วให้ทุกคนหาญ้ามาคนละมัดละมัดละมัดไอ้พวกที่เนี่ยอยู่ในเวียงวังเนี่ยนะแปลว่าไม่ให้ออกไปละพวกในเวียงวังหาญ้ามาแล้วก็ผ้าม่านปิดดีๆแล้วถือญ้ามาแล้วก็วางวางวางวางเสร็จแล้วก็ให้ตรวจดูว่า มันมีเพชรอยู่ในนั้นไหมพระเจ้าประเสริญก็เห็นด้วยอืมเอาปล่อยแต่ปล่อยก็มาก็ไม่ให้คนเหล่านั้นออกจากเวียงวังอีกเหมือนกันนะให้อยู่ในเวียงวังนั้นอนะพอปล่อยจะนึกให้หายามัดคนแล้วมัดแล้ ม, มัดอย่างที่ว่านนะแต่ครั้งที่สองให้คนหาดินเหนียวคนละก้อนละก้อนมีม่านเข้าไปแล้วก็ไปวางดินเหนียวแล้วก็ต่างคนต่างออก คือจุดประสงค์ของพระอนุนที่ให้อุบายเนี่ยคือใกล้ก็คนขโมยเนี่ยจะเอามาให้ผู้ใดผู้หนึ่งก็วัวโดนจับโวนใส่โทษอาจจะเอาเม็ดเพชรนินกินดาณนะยัดออกไปในยา่าแล้วก็ไปวางไว้เรียกว่ายัดใส่ดินเหนียวะแล้วก็ไปวางไว้คนที่เห็นนี่กัมันจะเรื่องมันจะได้จบไปคนที่ไม่ได้ขโมยก็จะไม่เดือดร้อนนี่ความเห็นเนย น, นะบัณฑิตนักปราชญ์ท่านใช้ขนาดนั้นนะ่ะ พอต่อมาเอาดินเหนียวเข้าไปก็ไปบี้ดินเหนียวอีกไม่มีไม่มีเพชรนินกินได้หญ้กาก็ไม่มีดินเหนียวก็มีสองวันพอวันที่สามตั้งกละมังใหญ่กระมังใหญ่กับน้ําคุ้นๆชั่งหน่อยเอาทุกคนให้ไปล้างมือทุกคนต้องล้างมือในกละมังกละมังใหญ่ทุกคนก็มีผ้าปิดจะเลยขนเข้าไปก็ล้างล้า ง, ล, างล้างมือคนไปก็ล้างล้างล้างมือแต่คนที่ขโมยเข้าไปทีละคนนะเอง คนเนึ่งมื่อกิดใส่เพชรนินกินดาอย่างที่มันขโมยได้นะโอ้ไม่ได้ท่านพระ อ, อ น, นุนเอาจริงเลยเกินคราวนี่ถ้านเราไม่ส่งแก้วคืนเนี่ยเพชรนินกินดาคืนเข้าไปเนี่ยเราต้องโดนแน่เพราะท่านพระ อ, อ น, นุนเป็นผู้เตรียมการจับขโมยแต่ท่านคงไม่บอกเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้ท่านเพียงวางแผนไชายคนนั้นก็าเป็นลวกฉนบหรือ ว, ว, ว่าไม่ลวกมหาดเล็กนะ พอเข้าไปที่นี่ก็เลยไปล้างมือก็เลยไปทิ้งแก้วใบนั้นอยู่ในกละมังนะจากนั้นพวกนั้นก็เลยได้แก้วกับคืนไม่รู้ใครไม่รู้ใครเป็นคนวางไม่รู้ใครเป็นขโมยแต่ได้แก้วคืนนั่นก็ป็นจบไปก็เลยประกาศจบไม่เอาโทษกับใครเพราะไม่รู้นะเวียงวังก็เลยเข้าสู่สภาพปกติไม่มีเรื่องราวแต่ทีต่อมาพระสงฆ์ก็มาสนทนากันว่าพระอานน์ุนยฉลาด เอาชนะหรือว่าไม่ให้มีเรื่องมีราวบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนด้วยอุบายปัญญาของท่านอาอหนนเฉลียวฉลาดจริงพราะพระพุทธองค์ได้ยินได้ทราบด้วยโสตะคือหูทิพภ์พระองค์ก็เดินลงมาพระสงฆ์สนทนากันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กลับทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าออืมิใช่แต่ไม่แต่ชาตินี้เท่านั้นนะ เ, เรื่องอุบายที่จะเอา สิงเหล่านี้ไม่ให้เดือดร้อนเนี่อสมัยก่อนมีพระสุงกถามัาสมัยไหนพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัตครองราชผสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีคราวหนึ่งอครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีกับบริวารไปอาบน้ําไปลงไปเล่นน้าในแม่น้ําคือสมัยก่อนไม่มีน้ําปะปาอย่างทุกวันนี้เวลานั้นก็ไปอาบน้ําเขาตั้งกั้นขึ้นมาแล้วก็ไปอาบน้ำแต่ที้ให้ สนมคนหนึ่งเฝ้าเครื่องประดับเอาไว้ในตักของตนเองคือทอดเครื่องประดับนะเขามาไว้ในตักแล้วก็พวกนั้นก็นลงไปอาบน้ําเล่นน้านางนี่ก็นั่งเฝ้าพอเฝ้าเสร็จแล้วตัวนี้ไอ้ลิงมันอยู่ต้นไม้ไอ้ลิงไง้วคงจะเป็นลิงตงัวเมียมันจะชอบเครื่องประดับฮะมันก็ย่องย่องลงมาขาโมยเอาเครื่องประดับงปเขาฟื้นขึ้นต้นไม้ไอ้สนมเชื่อๆนี่ก็จับผงงกนอนหลับเหมือนกัน เขตื่นคือนมามันหายไปนี่เครื่องประดับอยู่ในตักมันหายพอมันหายก็โวยวายขึ้นมาว่าเครื่องประดับหายโอ๊้ขโมยมาไอ้เลกลักเครื่องประดับแล้วงั้นมันหายไปพวกอยู่ใกล้ๆกับมหาลเล็กตอนไหนกูวิ่งออกมาเออมาหาไปที่ไหนพอนั้นก็ตีวงกว้างเอารอบที่รอมบริเวณมันอาจจะมีไอ้หนึ่งอไอ้คนตกเบ็ดใช่ไหมคนมาตกเบ็ดอยู่ข้างๆแม่น้ําอ่ะ พอเห็นว่าเขาทหารโวยวายโบกเวกขึ้นมาอา้าวมันเรื่องอะไรวะเอาตัวรอดดีกว่านี่คนตกเบ็ดเนี่กิออกจากสถานที่อ้าวเลยประกันะหลบหนีไอ้พวกมหาดเล็กพวกทหารทั้งหลายอา้าวไม่ใช่อ น, นันเหลือเนี่ยมันมาทําท่า ต, ตกเบ็ดแล้วมันมาขโมยแล้วมันวิ่งอ้าวไปแล้วนไปไล่จับให้ได้เา้าก็เลยจับให้ขโมยตกเบ็ดอีู่ จับขโมยโดยแค่หัวด้วยสิมัดไผ่หลังเตีมึงจะไม่ขโมยมึงจะไม่เอาไปที่นี้ก็ไอ้นั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงจะีเนี่ยตัวเองไม่ได้เอาไปถ้าหากว่าไม่บอกหรือมันก็ตีไม่รู้จักจบเยตายเขาเนี่ยข้าต้องบอกนะถึงยังไงยังไงต้องซัดไปหาเศรษฐีเราเครื่องประดับเพียงแค่นี้ต้องหาให้ได้ครับผมเอาสงให้เศรษฐีแล้วครับพนอกผมขโมยครับพอมันโดนไม้เรียวเนี่ยมันอดไม่ได้ด้มันเจ็บ มันไม่บอกก็ตีอยู่งั้นเนี่ยเอาอยัางไงก็ต้องบอกทีนี้เขาก็ไปจับเศรษฐีพ่อจับเศรษฐีแซ่หัวเศรษฐีอีกทีนี่เอามึงเอาไปที่ไหนท่านเศรษฐีไปเศรษฐีโอ้ตายฆ่าคนมาเลนะ้นักโมยยิงถ้าฆ่าไม่บอกนั่นเขาก็จะต้องเล่นงานฆ่าจะรอดถ้าจะต้องบอกไปหาอมาอมัดอามัดเป็นผู้รู้กฎหมายอยู่ใกล้กฎหมายบ้านเมืองมันคงจะหาทางออกได้ก็บอกไปหาอมามัดแอ้วอาอมัดครับ ผมเอาไปให้อมัดไเขาก็จับอมัดอีกป่านเพราะจับอมัดเสร็จะอมัดมองเห็นใครไปเอออมัดใครเอาไปไว้ที่ไหน เ, เครื่องประดับนั่นเลยอมัดก็โยนไปให้นักร้องเหมือนกันเถอะเออคงจะโยนไปให้หัวหน้ามอลำซิ่งมันจะได้มอลำซิ่งได้เลยเขาไปจับมอลำซิ่งแซ่หัวดีกึมึงเอาไปให้ใครเออเอาไปให้นางไอ หญิงงามเมืองคือสาวงามเมืองคงจะเป็นนางงามนางสาวไทยลักษณะอย่างนั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเอาไปให้นางสาวไทยเลาเไปจับนางสาวไทยทีนี้พอจับเสร็จแล้วมันเดือดร้อนเป็นทอดทอดไปไยก็มีอำมาตย์พระเจ้ากรุงพลาณสีมันไม่ใช่นะมันจะไปทอดเครื่องประดับเพียงแค่นั้นมันจะไปยาวถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็คงจะโจน โยนเรื่องหากันไปเรื่อยๆเพราะเอาตัวรอดท่านเองนยไม่ได้หรอกเดือดร้อนแน่ลักษณะนี้ไปจับคนทั้งหมดมาขังใส่กันเนี่พอมาขังใส่กันเสียดเรียบร้อยทั้งห้าหกคนน่ะพอเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจสันติบาล น, นั่งอยู่คนละมุมกันให้สังเกตหน่อยนั่งห àng, ่างๆพวกนั้นเขาจะคุยกันยังไงห้าหกคนน่ะแต่นี่ก็ เศรษฐีก็ถามว่าไอ้นมทําไมจังโยนเรื่องราวมาหาข่าข้ากับเธอนะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเธอคือใครเธอก็ไม่รู้จักข้าเหมือนกันทําไมยังมหาหโยนมาหาเราเศรษฐีทวงก่อนไอ้นมุมตกเบ็ดนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาได้ขโมยครับผมไปตกเบ็ดอยู่ห่างๆนูนะ้นน่ะเขามาก็มาผมก็เห็นโอกเองผมก็หลบหนีแล้วเงินเ อ, อเขาก็ไล่จับผม ผมก็เห็นว่าเครื่องประดับเพียงแค่นี้ท่านเศรษฐีคงมีเงินหาแทนเขาได้ผมก็บอกให้ท่านเศรษฐีแล้วขโมยเหรอโอ้ตายเราไม่ได้ขโมยแตชัดทอดมาอย่างนี้นะแถนนี้อมมาศก็บอกท่านเศรษฐีทําไมท่านกับผมก็กระยุ ก, กัะทางห่างก็ไม่รู้จักกันเลในช่วงนั้นทําไมเจอชัดทอดมาหาผมอมมาศทวงเศรษฐีเศรษฐีโอ้ผมก็คิดว่าท่านเป็นผู้รู้กฎหมายอยู่ใกล้เวียงวงัง คิดว่าจะเอาตัวรอดได้ผมก็เลยคิดว่าท่านนี่ยนะที่จะช่วยเหลือผมได้ผมก็เลยให้ท่านเป็นพาละให้คิดว่าเอาตัวรอดได้อาศัยบุญบา ร, รมีปัญญาของท่านทีนี้ก็พออมัตพูดเสร็จกัอบจบแล้วทีที่หมอลำสิ่งนะักร้องนะก็ถามเอา้าทําไมท่านอมัดจึงโยนให้ผมออมัตก็คงจะอมัดขี้สนุกสักหน่อยอย่างนั้นนะอยากจะฟังร้องฟังรําย่างั้น อมา์ก็บอกว่าเออที่ซัดทอดไปหาท่านเลยอย่างน้อยเข้ามาในกงขังนน่ยก่อนอยากจะฟังร้องรำทำเพลงก็พอจะได้ฟังบ้างแกงง่วงแกงเหงาอมาดว่เาเนี่ยผลในสุดนางสาวไทยนางสาวงามเมืองเนี่ยถามว่าเอา้าทำไมพี่จึงโยนมาให้ฉันวม่าที่ฉันลักขโมยเครื่องประดับเล่าโอ้ผมคิดว่า ถึงเท่าจะมาอยู่ในคุกในตารางแต่ยังมาเห็นสาวสวยก็ยังเป็นที่อุ่นใจะก็เลยตามให้จริงทัดทอดก็เลยจบไงสันติบาลเขาก็เลยประมวลที่พวกเรานั้นคุยกันมันเป็นเรื่องจริงเออเอาอย่างไงจากนั้นก็เลยเอมมาตดว่าไม่ใช่เอาปลอยอมมาให้ปลอยไปก่อนพอปลอยท่านนี้ก็เลยให้ทําเครื่องประดับใช้อย่างไม้เลยนะเออแล้วเอาแก้วประดับเข้าไป มันเป็นแค่แป๊บๆป๊อปๆอย่างเงี้ยจานั้นก็เอาลิงมาเนี่ไปตรงนั้นอ่ะที่ตรงลิงมันมีดงด ง, ดงลิงอย่งเงี้ยหมือนกับดงเอ๋กุ่มภวาปีอย่างเงั้ยอ่ะมันมีลิงเยอะๆแต่ใ น, นพวกนั้นก็แจกเครื่องประดับแจกเครื่องประดับให้ลิงพอแจกไปแจกไปเจน๊นี่อมารคเขาบอกว่าให้สังเกตดูนะถ้าหาว่าลิงตัวไหนมันเอาเครื่องประดับออกมาเนี่ย ให้ตะโกนปบมือแล้วก็ให้มันตกใจให้มันทิ้งเครื่องประดับให้สังเกตดูนะตำรวจนะแต่เนี้ยจะส้มเป็นที่ๆพอแจกเครื่องประดับเสร็ได้ลิงต่างตัวต่างได้มาแต่เนี้ยไอ้ลิงตัวที่มันได้เครื่องประดับไปนำไปซ่อนไว้ในกิ่งไม้หน้าครบไม้นะ่ยไปซ่อนไว้นยมันเห็นตัวอื่นได้มันก็เลยเอามาอวดหมู่มันกันไอ้ลิงมันอวดชอบอวดเหมือนกันนะ พอเอามาอวดทุนนั้นนะ่ะคนก็เห็นโอ้ลิงตัวเอาหนี่งก็ เ, เลยตกมือให้มันตกใจมันก็เลยทิ้งเครื่องประดับมายอย่างนั้นก็ได้ เ, เครื่องประดับก็ได้เอามาถวายพระเจ้าเป็นดินให้อัตมาเหศสีนี่แหละสรุปแล้วเรื่องนิทานเหล่านี้นะมันเป็นเครื่องเตือนใจและเครื่องกระจกทั้งผู้บริหารทั้งเราอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ เพราะนั้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่ามัวเมียอย่าไปปักปําบุคคลใดใครผู้หนึ่งไอ้บัณฑิตนักปราชญ์ใ น, น, ในครั้งก่อนเนี่ยเขาได้คิดถึงขนาดนั้นนะแต่พวกเราคิดคิดดูเดี๋ยวมันก็เป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆปิชาความรู้ในโลกเนี่ยมีมากมายมหาศาลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นพวกเราไม่ทําความชั่วข่าไม่ได้เบียดเบียนใคร ข้ า, มาไม่ดได้โคดเตะโกงไครข้าอยู่อย่างนี้ก็เพียงพอแล้วแต่การทําคุณงามความดีมันมีสลับซับซ้อนกว่านั้นถ้าเราได้รับการศึกษาถ้าเราได้นํำทำคําสอนของพพุทธศาสนาทำคําสอนของบัณฑิตนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักพระธรรมคําสอน8ป0 0 0ี่พันพระธรรมมะขานของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มากานกลองไม่ไตร่ตรองมาเปรียบเทียบ มาศึกษาฮะเราจะรู้ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรแต่วิชาทางโลกเพียงหลิงขโมยของเพียงแต่คนในเวียงวังขโมยแก้วพระอานน์ยังใช้กุสโลบายและกรรมวิธีที่ไม่ให้เดือดร้อนผู้ที่ไม่ได้ทำความชั่วนะท่านยังมีวิธีกรรมวิธีการนี่แหละ วิธีกรรมวิธีการคำนี้น่ยต้องใช้ปัญญาสรุปแล้วปัญญาต้องเปรียบเทียบต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในเรื่องต่างๆถ้าเรามีปัญญาแล้วไปอยู่นสถานที่ใดเกิดนะพบใดชาติใดอยู่ในชุมชนใดก็เป็นผู้เลิศประเสริฐกว่าผู้คนทั้งหลายอย่างน้อยปัจจัยของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นผาสุขเมื่อเราใช้ติ ใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐินะพ่อสำคัญอยากใช้ปัญญาไปในมิจฉาทิฏฐิเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพราะตัวเองมีปัญญาโคดโกงคนอื่นอย่างนั้นะแปยว่าปัญญามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วจะมีแต่ความร่มเย็ยนพราสุกทั่วนหน้ากันวันในหลวงพ่อได้ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราเพื่อการศึกษาต่อเ น, นื่องไปประสงค์เจ้าโมทนาให้พร